โหได้ยินเสียงปั๊บเกิดความรู้สึกอย่างไรตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นตาเห็นอันนี้กันนี้ละที่สำคัญมันก็จะฉลาดในการใช้ตาตานี้มันเป็นประตูตาหูจมูกลิ้นเขาเรียกว่าถาวรนะกุทจ้บอกว่าถาวาวรคือประตูนั่นแหละใช้ตาแบบนี้เกิดความร้อนใจใช้หูแบบนี้เกิดความร้อนใจใช้หูแบบนี้เกิดความเข้าใจเกิดความสบายใจก็จะเริ่มฉลาด นั้นความรู้สึกตัวตัวเดียวจริงเป็นพื้นฐานของการศึกษาชีวิตทั้งหมดเลย น, นท่านจึงให้เรามาเก็บ <c oughs> เก็บอารมณ์สมัยที่ยจะมาฝึกใหม่ๆนะนะไม่รู้เรือ่องหรอกไอ้ที่พูดๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องแต่รู้แต่ว่าให้ทําความรู้สึกตัวทําอย่างไรตั้งแต่ตื่นนอน จ, จนถึงหลับนอนเราจะอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้ได้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราอยู่คนเดียวเนี่ยอารมณ์มันจะเกิดขึ้นเยอะ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 อีสิบสามสิบสี่อีกสองวันถ้าอย่างนั้นก็จะข้องการข้องก็ไมไ่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้จิตของเรานะจิตของเราจะเป็นอย่างนี้นะเล ย, ยเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปนั้นเราฝึกปฏิบัติเนี่ยให้ละเอียดนะโดยเฉพาะนอกรูปแบบเนี่ยถ้าว่าจริงๆเนี่ยเราเก็บอารมณ์ก็ดีเราอะไรก็ดีการเก็บอารมณ์เพื่อเพื่อสร้างสภาพสร้างสภา พ, พบ่มเพาะมัน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 อต่แต่แต่นั้นแต่ต่อมาเซนเขียนว่าถ้าได้มาอัดอัดร่วมกันเนี่ยดีน ะ, ะที่ง่วงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่โยงง่วงแต่มาก็ง่วงนะเนี่ยมีสองอารมณ์จงสงบกับง่วงนี่แหละสองกันแต่มันมันง่วงมีศิลปะนะ <laughs> ทำไปนานๆมันง่วงแล้วยกมือได้ด้วยตกเบื้องลงไปตกเบื้องลงไปนี่มันก็นจะโล่งเลยพอตื่นขึ้นมนก็ตาใสาเหมือนไม่เป็นอะไรนะ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 หลวงเทียมจึงบอกว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นฟ้ากลมดินนะฟ้ากลมดินฟ้ากลมดินแปลให้มันอืดูมันเท่เทนั้นครอบจักรวาลครอบจักรวาลฟ้ากลมดินครอบจักรวาล น, นะมันครอบจักรวาลนะเวลาเราฝึกมาจุดนเบื้องต้นก็รู้สึกตัวท่ามกลางก็รู้สึกตัวที่สุดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเฉยเฉเนี่ยองค์ธรรมมันมีสติและอุเบกขานะ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 หลวงเทียนนั้นเคยดูพระลูกหนึง่งปฏิบัติทำตื่นขึ้นมานี้เดี๋ยวทุง่งปฏิติก็พับนันนั้นนี้คุ๊กกิ๊กว่าจะออกจะมุ้งด้เป็นจะมุ้งกุ๊กกิ๊กๆิ๊กยิบนอนยิบนี่เป็นสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงกับะแล้ว่นนะอันนั้นเป็นนิสัยกิเลสเรานี่จะยุกยุกยิบยิบยุ่งกันนั้นยุ่งกันนี้ใช่บางคนนะขอโทษนะอย่างโยมโยมพวกเรานี่ปฏิบัติทำโยมผู้หญิงเนื่ยอยทำนะไม่รู้ถือไปทำไมไอ้กระเป๋านะ่ะ ทำไมมันลอกลุงหลังนะในนั้นก็ไม่มีอะไรยาอมยาดมยาหมองพอเบื่อหน่อยก็เปิดนะยาหมองมาป้ายจะงงงเล <c oughs> คุณรู้ไหมไอ้ความเคยชินแบบนี้มันมันยุบมันยุบมันยิมย้มๆนะบางทีมันไม่จําเป็นเลยนะไอ้ที่แบกๆไปนะแต่ถ้าใครมียาแก่ช็อกแก่แอะไรเนี้ยไอ้เอ็ซิเดนต์อะไรก็เอาไปนะบม่ว่าเลยบางทีเราเรารู้ไหมว่าไอ้จิตของเรามันคล้องอันนั้นคล้องอันนี้นะบางคนก็ไม่มีอะไรในย่ามเน่ะมีหวีเล็กๆอันหนึ่งมีแว่นกระจกไม่มนะ้อย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 จะบรรลุให้ได้เนี่ยจะเปลี่ยนเร็วเหมือนกันเป็นผีบา <c oughs> จะเร็วขึ้นยิ่งหลวงพ่อเปิดกระตุ้นเร่งเราให้รู้หลงเ่อที่ยิ่งพูดโอ้โหมันเหมือนง่ายเลยเกิด น, นะเพยียรชิューชนกันจะบรรลุให้ได้เนี่ย <c oughs> เห็นลายลายแล้วนะแล้วพอรู้ก็จะรู้แล้ว ก, ก็ไปวิปัสสน์ขึ้นมีองค์หนึ่งปฏิบัติ <c oughs> ช่วงนั้นเป็นพระอยู่กับท่านจารกสินช่วงนั้นหลวงพ่อไม่อยู่ละไปเมืองนอ้อยมีพระองค์หนึ่งหอวโหตั้งใจปฏิบัติมากนะ เพไปฝึกกับอาจารย์ยัน fiance, ตะเพืออาจารย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอมาก็จะแข่งเพื่อนอยากบรรลุพอทําไปทําไปเนี่ยพอผ่านม่วงไอ้เบากายเบาใจแกเข้าใจว่าแกบรรลุจะเทศสอนเพื่อนอุตรุษเลยสองใจคนนั้นสองใจคนนี้คนนั้นก็ทําไม่ถูกคนนี้ก็ทําไม่ถูกมาบอกอาจารย์เสิมผมบรรลุแล้วพอวันนี้อาจารย์เกษมอาจาย์เสียจเอาวันนี้พากันทํางานทํางานอาจารย์พาไปตักส่วงเอาหลวงพี่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 แต่คนทาจริงทั้งนั้นเนีะยพอหลังจากนั้นออกจากคอร์ปั๊บเนี่ยให้ไปซ้อมทำนอกรูปแบบถ้าใครกลับไปบ้านนะทำวันละสามชั่วโมงนะเดินไปกมสร้างจ่อทุกวันทุกวันหลังจากนั้นทำกับการกับงานไม่เกินปีหนึ่งเป็นเลยเป็นเลยติดเลย อ, นนอยากได้อีกแล้วนั้นนะ <laughs> <laughs> <laughs> อ๋อไปอนุโมทนา เห็นไหมกลมเงยเห็นไหม